บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะของถ้อยคำที่ท่านอุทยะมานพได้ลกล่าวยกย่องสรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เข้าถึงฝั่งแห่งธรรมท่านได้อธิบายไว้โดยนยัย่าต่าง ธรรมะบางข้อก็ธรรมะแสดงแล้วธรรมะบางข้อนั้นมีข้อที่ควรตระหนักอยู่อีกชุดหนึ่งที่ตัณฑ์ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จเข้าไปสู่จารณะเข้าถึงจารณะและดํารงอยู่ในจารณะซึ่งเป็นนิย่าของพระพุทธคุณที่สวดสรรเสริญกันว่าวิชาจาระสำปนโน ที่แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์วิชาคือความรู้และจรณกคือความประพฤติซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อถือของคนในยุคใดสมัยใดก็าตามท่านแบ่งความดีเลิศประเสริฐของคนไว้เป็นสองชั้นใหญ่ๆด้วยกันตามนัยยะของคาท่าน สนังกุมารพรมที่กล่าวไว้เป็นใจความว่าในหมู่ชนที่รังเกียจการดูชาติคือถือชาติถือโคตรถือชั้นชั้นวรณะต่างๆกันอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้และจารณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในกรณีเพิ่งสังเกตว่าการที่บุคคลทำให้สมบูรณ์ถึกวิชาและจรณะนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในสถานะของบุคคลนั้นเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในชั้นต่างๆจนถึงหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงเจรณะทั้งสิบภาพประการนั้นเรียกอีกนัยหนึ่งว่า เสขะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติของพระเสขะได้แก่บุคคลที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยความหมายหลักจริงๆท่านแบ่งพระยาบุคคลออกเป็นสองชั้นคือเสขะได้แก่ผู้ที่จะต้องศึกษาคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปหมายถึงพระโสดาบันจนถึงพระอนาคามี อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอสศะคะคือยุติการศึกษาเพราะจบการศึกษาแล้วได้แก่พระอารหาันต์ทั้งหลายแต่โดยความหมายในชั้นของการประพฏิบัติแล้วคำว่าเสขะปฏิปทาจึงกลายเป็นข้อปฏิบัติของสาธุชนทั่วไปที่มุ่งความสงบระงับจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยสเสด็จรอยบาทพระผู้มีพระภาคจัก นั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ทั่วไปตั้งแต่พระพุทธเจา้าพระปัจเจ้าพระอระหรันต์อริยาสาวกและสาธุชนทั้งหลายซึ่งก็หมายความว่าเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจุดนั้นเป็นการเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกันพระเจ้าค้นพบสเสด็จดำเนินไปก่อนพระอนุพุทธทาทั้งหลาย ก็ดําเนินตามรอยพระพุทธเจ้าไปคนทั่วไปที่ปรารถนาผลเช่นนั้นก็ต้องเดินไปบนเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าทางนั้นโดยหลักการปฏิบัติมันก็มีอยู่เพียงสองทางเท่าทนั้นเองคือสัมมามัตยกับมิฉามัตยมิฉามัตยก็คือทางผิดที่เริ่มต้นด้วยความเห็นผิดและจากนั้นก็ผิดตลอดไปสัมมามัตย ก็คือทางดำเนินที่ถูกที่ควรเริ่มต้นด้วยความเห็นชอบต่อจากนั้นก็จะชอบเรื่อยไปโดยลำดับแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงจรณะชุดหนึ่งซึ่งว่าที่จริงการกล่าวถึงจรณะสิภาพประการนั้นท่านนำเอาธรรมะเสียสามหมวดมาเชื่อมต่อกัน เป็นการแสดงในลักษณะของบนไดาธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบประนีตขึ้นไปโดยลำดับแต่พึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ <c oughs> โวหารและเทศนาคือเป็นวิธีการเทศอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทรงแสดงธรรมคล้อยตามจดิตอัธยาศัยของผู้ฝัง แม้บางครั้งเราจะไปเจอในยะอื่นหรือโดยประยายอื่นก็พึงเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นมุ่งสงบระ ง, งับเริงกิเลสเป็นประการสำคัญจะทรงแสดงได้โดยไว้โดยวิธีใดก็ตามแต่เมื่อสามารถสงบระ ง, งับกิเลสได้ธรรมะเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นภาวิตาะปะธรรมคือธรรมะที่ควรแก่การลงมือประพฤติปฏิบัติ ในชุดแรกนั้นได้จําแนกไว้เป็นสี่ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือศีรสัมปทาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลในส่วนของพระพุทธเจ้าเป็นสมุเทเฉกวิรัตคือตัดขาดไปด้วยอริยมรรตไปแล้วเพราะอาการทางกายทางพระวิชจจาของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความวิปริตว่าจะอยู่ในสถานะที่วิกฤตทางอารมณ์ทางสังคมเหตุการณ์อย่างไรก็ตาม ข้อนี้เพิงสังเกตว่าในบางโอกาสบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงไปเชิญกับปัญหาบีบรัดเข้ามาทุกทิศทางเห็นว่าการจองล้างจองผานของพระเทวทัตจ้างคนไปฆ่าต่างๆโดยการชี้หน้าด่ากราดของนางจินดมานวิกาที่ใส่ไร้พระพุทธองค์ตลอดต้องการผู่คุกคามของโดนองค์กุดิมาร็ดีอาลวาดยักษ์คดี พระเจ้าเป็นพาธิโนคือคงที่ไม่แสดงอาการหวันไปอะไรออกมาให้ปรากฏนั่นก็หมายถึงเป็นความสมบูรณ์แท้ทจริงในชั้นของพระไทยทําให้บุคคลเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณได้อย่างเด่นชัดว่าภายในของพระไทยภายในพระไทยของพระองค์นั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งแต่ประการใดไม่ว่าอันตรายที่ก่อให้เกิดในรูปของความกลัวความหวาดวิตกหรือความ กังวลใจอะไรสำหรับชาวโลกแต่พระพุทธเจ้าจะไม่มีปัญหาเหล่านั้นตอนนี้ประการสำคัญก็เกิดขึ้นจากทรงสมบูรณ์ในชั้นศีลเรื่องของศีลเป็นภาคพื้นในการประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติเวลาไปเจอที่ใดก็ตามสังเกตว่าเราก็จะเจอศีลอยู่เรื่อยๆสูตรในการปฏิบัติสาหรับชาวบ้านเราจะแบ่งเป็นสามชั้นทรงชช้คาว่าฐานศีลภาวนา ก็ปฏิบัติสมารพระถ้าแบ่งเป็นสามชั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถือเป็นการชีร้เห็นว่าศีลนั้นจะต้องมีอยู่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเครื่องมือในการควบคุมอาการทางกายทางาจาตของบุคคลเอาไว้ไม่ประพฤติไม่กระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่รุนแรงกิเลส ่ศีลจึงเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสประเภทที่เรียกว่าลดออกมาจากข้างนอกถ้ามองในชั้นศีลแม้ในองค์มรรคเองจะเป็นการที่เห็นว่าคนเพิงทําความสมบูรณ์ในศีลตามสถานะของตนเท่านั้นเช่นว่าเป็นอุบาสกุบาสิกาก็าให้สมบูรณ์ในศีลห้าเป็นต้นไปแต่ใครสมาทานศีลแปดศีลโบสถดก็ให้สมบูรณ์ในชั้นศีล แปดสี่นุโบโสดไปเป็นพระภิกษุสามเณรก็สมบูรณ์ในชั้นศีลของตนท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคข้อที่เรียกว่าสัมมากรรมตะคือการงานชอบในข้อที่สามนั้นหรือข้อย่อยข้อที่สามนั้นทรงแสดงว่ากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีเปร่งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามซึ่งก็หมายความว่า แม้แต่ศีลของอุบาศกเองระดับศีลห้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสามีพัญญาของชายอื่นก็ชื่อว่าชายอื่นหญิงอื่นก็ชื่อว่าเป็นศีลในองค์มรรคเหมือนกันความสมบูรณ์ในศีลก็คือเป็นศีลประเภทที่เรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาศีลด้วยอำนาจของตันหามานะจะรักษาด้วยความอยาก อยากแล้วก็เกิดความถือตัวเป็นนั่นเป็นนี้จนถึงก็ไปถูกหมิ่นบุคคลอื่นการจะพิสูจน์ศีลว่าเดินไปได้ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องมองผลซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเพระาะศีลแม้จะเป็นเรื่องการควบคุมอาการทางกายทางาจาแต่อาศัยเจตนาคือความจงใจที่จะงดเว้นไม่ละเมิดของบุคคลเป็นประการสำคัญผลก็คือความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ เพงสังเกตว่าคนละเมิดศีลนั้นจิตจะถูกผลักดันด้วยแรงกิเลสที่รุนแรงแต่พอมีศีลเข้ากิเลสอาจจะเกิดขึ้นแต่ถูกปิ ด, ป, ดปิดกั้นไว้ด้วยศีลไม่แสดงอาการไม่เหมาะไม่ควรออกไปและกิเลสก็จะมีกำลังอ่อนลงไปโดยลาดับทํานองคล้ายๆกับไฟที่มีเชื้อติดแต่ไม่ได้รับเชื้อเพิ่ม ความร้อนก็ต้องลดลงไปจนมอดไหม้ไปโดยดําดับเข้าปฏิบัติก็มีลักษณะเฉดดันพ้านความเปลี่ยนแปลงในชั้นศีลถึงจุดหนึ่งจะต้องเข้าถึงใจการที่เคยกล่าวมาแล้วว่าธรรมะทั้งหมดในชั้นอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงไปคือข้าก็ ข, า ข, า ข, าขึ้นสูงไปเรื่อยๆที่ตันชายก้คว่ามีพระอรหัตเป็นยอดคือมีอรหั ต, ตผลเป็นเป้าหมาย เราจะเริ่มการประพฤติปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่จะเดินขึ้นไปอย่างนั้นเห็นปนานาธิบาตอาจจะเริ่มจากการงดเว้นไม่เบียดเบียนทำลายชีวิตของบุคคลอื่นจานั้นก็งดเว้นการเบียดเบียนงดเว้นการประทุสร้ายไม่ถือศาสตราวุธอันสดแสดงถึงความเป็นผู้ใจขอโหอดร้าย มีการระมัดระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายจนถึงสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกับสัตว์ทั้งหลายนี่ทจริงก็เดินมาจากศีลข้อปานาทิบาตันเองแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจโดยลําดับคือกิเลสลดกิเลสลดลงไปลดลงไปลดลงไปในขณะที่กิเลสลดลงไปนั้นหมายความว่าธรรมะก็เพิ่มขึ้นมา การลดของกิเลสก็คือการเพิ่มของธรรมะนั่นเองเพราะธรรมะกับกิเลสก็เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันเมื่อฝ่ายหนึ่งเพิ่มขวายหนึ่งก็ต้องลดขวายหนึ่งลดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเจนสมมุติว่าเราจะลดความโกรธลงไปได้ก็แสดงว่าเมตตาต้องเพิ่มขึ้นภายในจิตจะลดความโลภลงไปได้ความเสียสละก็ต้องเพิ่มขึ้นภายในจิต ่ายยังมียังไม่มีความเสียสละอยู่ภายในจิตเลยมันก็ลดความโลภไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆก็ทํานองเดียวกันดังนั้นจึงทรงแสดงลักษณะของธรรมะว่าเป็นเครื่องขัดเกลว์คือขัดเกลวซึ่ง ก, รรกันรายการหรืออาจจะขูดเกลวซึ่งการรายการฝ่ายหนึ่งเกิดมีกําลังสูงขึ้นก็จะทําให้ฝ่ายหนึ่งมีกําลังน้อยลง บางครั้งถ้าบุคคลตรวจสอบดูจิตของตัวเองก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนกับชักกับเยื่อกันอยู่ภายในใจหรือบางทีก็เหมือนกับที่เราเรียกว่าแล่ลิงจับหลักกับลิงชิงหลักกันใครจะเข้าครองหลักได้เมื่อใจคนกิเลสจะเข้าครองได้หรือธรรมะเข้าครองได้พอเริ่มมาจากศีลแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าครองใจเป็นรูปของวิรัติงดเว้น แล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนจิตใจโน้มน้อมเข้าไปสู่สมาธิจะมีความสงบมากยิ่งขึ้นอาการสํารวมในชั้นต่อไปการปฏิบัติในชั้นต่อไปก็คือหลักของอินเสียสังวรซึงกรนีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประอยู่ในเรื่องของสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบในชั้นศีลหยาบหยาบท่านก็ไม่ถือว่าผิดศีล ในชั้นศีลที่ประนีตก็ถือว่าเป็นการผิดศีลท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอินเสียสังบอ น, นั้นเป็นเรื่องของสมาวิยมะอยู่ในกลุ่มของสมาธิแต่เป็นสมาธิเบื้องต้นจึงหมายความว่าในชั้นนี้บุคคลจะอยู่ในดิบทใดก็ได้แต่ประการสำคัญที่สุดก็คือมีความสมรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย การสำรวมระวังนั้นทำํำได้หลายวิธีบางครั้งทรงแสดงไว้ตั้งห้างวิธีบ้างเกตวิธีบ้างวันนี้เพื่อเห็นตัวอย่างว่าแม้โดยหลักของโยนิโสมนสิการคือการทําไว้ในใจโด้วยกานแยบกายหรืออายุนิโสมนัสิการการไม่กระทําสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจคือไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นก็สามารถที่จะปิดกั้นกระแสของกิเลสไว้ได้ เชนสมมติราบุคคลเห็นรูปด้วยตามองชัดได้ว่ารูปนี้ถ้าเกิดใส่ใจขึ้นกิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดเพิ่มขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูนมากยิ่งขึนก็ไม่ใส่ใจถึงรูปนั้นนี่แสดงเห็นว่าเป็นการสารวมระวังโดยการไม่ใส่ใจแต่บางครั้งในกรณีที่ ถ้าใสา่ใจไปแล้วไอความดีที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมา ก, กขึ้นก็ใส่ใจเป็นการเลือกประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับกรณีดังนั้ น, น, นแต่ในชั้นนี้พึงจะเห็นพึงสังเกตว่าเนื่องจากเป็นเรื่องของสมาธิบางอย่างทรงสอนในรูปของ สถานที่อยู่ที่อาศัยซึ่งเกื้อกูลได้แก่สงบที่เราใช้คำว่าสุญญาคะสุญญาคารหรือสถานที่ที่วิเวกก่อให้เกิดความสงบลักษณะเหล่านี้ต้องการจะหลีกจากอารมณ์ไปเลยคือไม่ดูไม่เห็นอารมณ์ด่านั้นไปเลยเพื่อจิตใจโน้มน้อมก็หาความสงบเพิ่มขึ้นจากผลของสีและสัมปทาที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้ว แต่บางครั้งเมื่อต้องดูต้องเห็นือต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ดอดนั้นก็ทรงสอนไม่ใส่ใจหรือเกิดใส่ใจไปแล้วก็ต้องมีสติระลึกรู้วินิจฉัยสิ่งที่ปรากฏภายในใจขณะนั้นถึงบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหมายความว่าอยู่ในริยาบทใดก็วินิจฉัยได้ บางครั้งเช่นการเจริญพวกกรรมฐานต่างๆกลุ่มของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตก็ะดีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะมีแนวในการดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นประการสำคัญซึ่งในกรณีของการดูเวทนาที่ปรากฏขึ้นเช่นว่า เวลาสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่หรือว่าอทุกขมสุขเวทนาได้แก่ความรู้สึกที่ไม่เชิงทุกข์ไม่เชิงสุขปรากฏเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยเวทนานี้อยู่แต่พึงสังเกตว่าเวทนานั้นมาจากปัจจัคือการกระทบการกระทบนั้นก็มาจาก ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วเกิดวิญญาณคือความรู้ขึ้นก็สร้างปัจจัขึ้นมาไอตัววิญญาณคือความรู้เองก็เกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในภายนอกไอการกระทบของอายตนะภายในภายนอกเองถ้าไม่มีความสนใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะะถ้าไม่สนใจวิญญาณก็ไม่เกิดสัมผัสก็ไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดไอความสุขความทุกข์ จึงเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการใส่ใจหรือการไม่ใส่ใจของบุคคลเห น, นั้นบางครั้งใส่ใจสิ่งที่เป็นความดีงามเราก็ประสบเป็นสุขเวทนาใส่ใจในเรื่องไม่ดีไม่งามก็ประสบประสบก็ทุกขเวทนาเมื่อบุคคลมองเห็นจากจุดนี้ก็เชื่อมเข้าไปถึงตัวเขตที่ก่อให้เกิดผลเป็นสุขเป็นทุกขในชั้นของเวทนาได้เป็นการกระตุ้นเตือน ให้เกิดสัรวมระวังในกรณีที่ตนได้ประสบกับสิ่งซึ่งก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่พยายามให้บุคคลแก้ไขปัญหาภายในใจของตัวเองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส๋ย่ไม่ดูไม่เห็นไปนเลยได้กว่าดี ดูแต่เห็นก็สำรวมระวังใจเอาไว้อย่าให้กำหนัดขัดเคืองเรียกว่าอย่าให้มีความยินดียินร้ายครอบงมใจถ้าครอบงมแล้วก็พยายามสลัดให้ออกไปคือเป็นอันตรายก็เฉพาะที่มันเป็นยันตรายเกิดความรุนแรงมากยิง่งขึ้นในชั้นต่อไปก็คือโภชเนมัตตันยูตาส่งเน้นไปที่การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ซึ่งก็นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในชั้นของการดํารงชีวิตสําหรับสามาัญชนทั่วไปที่เราพูดกันถึงปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่จบสิ้นกันจํานวนบาลีตั้นใช้คาว่าเมื่อนรกของไปทิ้งลงในเหวจะทิ้งลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งการรับประทานอาหารของบุคคลก็มีลักษณะจากนั้นเมื่อเราของทิ้งเหว เป็นการบันเทาลงไปชั่วคราวเท่านั้นแต่คำว่าอิ่มจริงๆไม่มีแล้วก็ทรงสอนในชั้นของการให้รู้จักประมาณในการบริโภคพัตตาหาันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปพอ้าบริโภคน้อยเกินไปร่างกายจะกระสรับกระส่ายไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ก็ขอให้เกิดเป็นความพุงซ่านขึ้นภายในใจใจก็จะประกอบด้วยนิวรข้อที่เรียกว่าอุทจักกุจจะ การปฏิบัติแทนที่จะสงบนิวรณ์ก็กลายเป็นการเพิ่มนิวรณ์ไปแต่ในกรณีที่อื่นเกินไปก็ปจะเกิดอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าพัฏฐะส ม, มทะคือการเมาอาหารเมื่อเมาอาหารแล้วก็จะเกิดเบื่อเกิดคลานกายคลานใจเกิดบิดขี้เกียจเกิดง่วงนอนขึ้นมาซึ่งลักษณะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอาการของตีนวิทะซึ่งเป็นนิวรณ์อีกข้นึ่ง แต่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตอันนี้บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเราจาแนกแสดงออกไปถึงสี่ประเภทแต่วันนี้ที่นี้เน้นเฉพาะอาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มเข้าไปในทางปากเป็นประการสาคัญเพราะแท้จริงแล้วอาหารมีสี่ประการแต่เรียกว่ากาวลิงการอาหารอาหารที่กลืนกินเข้าไปทางปาก ผัสสะสารคือการกระทบที่สืบเนื่องมาจากตาเห็นรูปเป็นต้นวิญญาณอาหารก็คือการรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูเป็นต้นซึ่งกรนี้จะเห็นได้ว่าคําว่าอาหารแป็ว่าสิ่งที่นําผลมาเพราะั้นเวลาเราเห็นรูปมันก็รู้สึกพอใจไม่พอใจก็แสดงว่านําผลมาบางครั้งก็อิ่มใจปไปเลยสิ่งเหล่านี้ท่านยังเรียกว่าอาหาร บางครั้งไปเรื่องของการเหนียดนึกภายในใจของบุคคลที่สันนิษฐาว่ามโนสันเจตนาอาหารคือนึกถึงเรื่องบางเรื่องเรียสบายใจปลื้มใจดีใจแสดงว่านำผลมาในการเพิ่มภูมกกำลังให้แก่จิตใจอาหารบางอย่างก็มีปัญหาในทางใจแต่ก็นำผลในทางสร้างความทุกพ ล, ลภาพความอ่อนเพลี ย, รยแรงให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลทั้งหมดนั้นรวมสรุปรวมเรียกว่าอาหาร อาหารทั้งหมดในอาหารที่ทรงเน้นในที่นี้เน้นเฉพาะอาหารที่รับประทานไปให้รู้จักประมาณไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ชากริายานุโยคแปลว่าประกอบความเพียรด้วยทำตัวเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นตื่นขนาดไหนแต่บอกแต่เพียงว่าไม่เห็นแกนอนมากจนเกิดไป ใรุ่นอัตถกถานั้นท่านได้แสดงไว้ชัดมากท่านบอกว่าใช้ความเพียรในยามหนึ่งพักผ่อนในยามที่สองใช้ความเพียรในยามที่สามและท่านบอกว่าในวันหนึ่งนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ซอยออกไปก็ให้พักเพียงสี่ชั่วโมงให้ความเพียรให้ชีวิตผ่านไปด้วยการมันเป็นเพียรถึง 20สชั่วโมงดะวยกันถึงดูแล้วจะพบ ว, ว่าตอนปฏิบัติในกรณีนี้ต้องเน้นไปเฉพาะด้านจิตอย่างเดียวถ้าคืนไปทำงานออกแรงเขาด้วยร่างกายก็คงจะทนทานเดี๋ยวไม่ได้แต่สรุปว่าการบำเพ็ญเพียรในทางจิตที่เรียกว่าชาคริยานโยกนั้นก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องนั่งบำเพ็ญกรรมฐาน แต่ประการสําคัญว่าทำอย่างไรกิเลส ท, ที่อยากไม่เกิดอย่าได้เกิดขึ้นบ่อยนักกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วมีการลดละบันเทาลงไปมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจนในการเหนียวนึกภายในจิตการนึกนึกคิดเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็สร้างปัญหาให้แก่จิตใจเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวเองหาความราร้อนมาใส่ตัวเอง ก็พยายามสลัดความคิดเหล่านั้นซึ่งคนนี้จะพบว่าอารมณ์เป็นนันมากที่คิดไปก็เท่านั้นเองเป็นการพร่าพรานเวลาของชีวิตโดยไม่คุ้มค่ากันเป็นการประรอบถึงความสูญเสียความไม่ดีไม่งามต่างๆในอดีตก็เป็นเรื่องของความสูญเสียเป็นเรื่องของความไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีต รู้ยาสอนอนดีตในแนวที่เพื่อเป็นครูแต่นั้นเองเพื่อเกิดการสํารวมระวังเพื่อเกิดเกิดการลงมือประพฤติปฏิบัติในกรณีสํารวมระวังก็คือเรื่องที่เคยผิดและสร้างความเดือดร้อนมาแล้วก็อย่าไปทำซ้ำกันอีกแต่การลงมือประพฤตปฏิบัติหมายความว่าเรื่องที่ตนเคยได้ผลดีงามมาแล้วค่อยลงมือประพฤติปฏิบัติในเรื่องเนั้นนั่นเองเราแสดงว่าอดีตเราก็ใช้สองอย่างเท่านั้นเองแต่ว่า จะไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตไม่ได้อดีตก็เป็นเรื่องของอดีตไปอดีตท่านจึงแปล ว, ว่าเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วปะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ผ่านพ้นไปแล้วถ้ า, าว่าบุคคลมองเห็นว่าปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องที่เป็นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วแก้ไขให้ฟื้นคืนเป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้ก็สลัดความคิดในส่วนนั้นออกไป จะแม้เรื่องราวในอนาคตก็เป็นเช่นเดียวกันอนาคตนั้นเราอาจจะมีเป้าหมายเอาไว้แต่แท้จริงอย่างไงมันก็ยังไม่ถึงบุคคลก็มาคำนึงอยู่เฉพาะส่วนปัจจุบันเวลานี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อยที่สงสอนให้บุคคลพิจารณาลึกในลักษณะของผู้ตื่นว่าให้พิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าวันคืนผ่านไปผ่านไป บัตรนี้เราทำอะไรอยู่ได้แก่การตั้งสติระลึกรู้ในแต่ละขณะของเวลาที่ผ่านไปเพื่อดูผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากการเวลาที่ผ่านไปดูความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าของการใช้การเวลาของบุคคลตนนั้นเพื่อจะให้บุคคลดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้แต่ในขณะพึงสังเกตว่าขณะของการมาพฤจรปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งจะพูดเป็นขณะ คือไม่ประมาทในขณะของอารมณ์เพราะไรเพราะในแง่ที่เป็นรู ป, ปรธรรมบ่งสังเกตว่าความประมาทที่เกิดขึ้นเพียงช่วขณะหนึ่งสามารถทําความพิบัติได้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้เช่นขับรถประมาทไปช่วงวูบหนึ่งอาจจะตกเหวคือตายกันหมดทั้งคันรถได้แต่แม้แต่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติที่เป็นกุศลก็เน้นไปที่ขณะ เป็นสงสอนว่าเมตตาเจโตมุตคือจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของความพยาบาทด้วยการเจริญเมตตาที่บุคคลให้เป็นไปแม้ชั่วขณะเดียวก็จะเป็นธรรมมีผลมีอานิสง์มากเพราะใะ น, นขณะของกุศลก็มีผลมากขณะของอกุศลก็มีผลมากเหมือนกัน เพราะอะไรเพราะการกระทำอกุศลบางอย่างเราสังเกตว่าเป็นช่วงวูบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นทันั้นเด็กก็แสดงว่าเกิดขึ้นมาขณะเดียวท่านั้นแต่ว่าทําอะไรผิดรุนแรงไปได้มากๆแต่การปฏิบัติพอเชิงประณีตขึ้นไปจึงสอนเน้นไปในลักษณะเป็นขณะการที่จะแก้ไขในแต่ละขณะได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรที่ตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยกายใจให้หลับในส่วนกายมากเกินไป จะเรียกว่ากาดนิสาคือไม่นอนหลับมากเกินไปและในส่วนของจิตใจก็ไม่ปล่อยให้กิเลสสนิสาคือถูกครอบงำด้วยอํานาจของกิเลสมากเกินไปเท่าความหลับสองประการนั้นมาเทียบเคียงกันชงแสดงว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเรากล่าวว่าความการนอนหลับนั้นเป็นการทําชีวิตให้เป็นมันแต่ว่าถ้าจิตไปตรึกนึกอยู่ด้วยอานาจการพยาบาทบีิงสาแล้วก็นอนหลับเสฉยดีกว่า เพราะอย่างน้อยการนอนหลับนั้นมันศูนย์ไปเฉพาะเวลาแต่ว่าการปล่อยให้จิตถูกครอบงมด้วยหน้ากิเลสนั้นนอกจากศูนย์เวลาแล้วลดคุณภาพเป็นการลดคุณภาพจิตของตนให้ตกต่ำลงไปด้วยดังนั้นหลักทั้งสี่ประการนี้จึงชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสขะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทาให้บุคคลเป็นประเสขะ และทำให้พระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ในวิชาและจจรณะซึ่งผู้ราถนาความสมบูรณ์แห่งธรรมะเหล่านั้นสามารถประพฤติดำเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกันแล้วจะสัมผัสผลตามสมควรแก่การปฏริบัติแห่ง ต, ตนตอนน่อไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป